ข อ, ขอความสุขความเจริญถ้องมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายกรรรยายประสุท์ในวันนี้จะพูดเรื่องอโลนกัสสุทเป็นประสูตธ์ที่ทรงอธิบายเรื่องกระแสของกรรมเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นจากอัธยาศสัยของพระองค์เองทรงประรบเรื่องนี้ แล้วสั่งถึงเรื่องความคิดของบุคคลสองกระแสกระแสหนึ่งที่พูดว่าคนทำกรรมใดก็จะเป็นไปตามผลกรรมนั้นหมายความเป็นการพูดที่ลงตัวลงไปเลยแบาเบาเช่นเช่นสมมติว่าคนฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยต้องรับผลของการฆ่าสัตว์คือตลอดไป ไม้จะไปทำกรรมอย่างอื่นก็ต้องรับผลตรงนี้ซะก่อนหรือทาอย่างนี้ก็แสดงว่าบุคคลเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มันจะต้องเป็นก็มันอย่างนั้นรับสั่งว่าการที่คนคิดอย่างเนี้ยแสดงว่าการประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตนเองที่ทรงใช้คำวมาพรหมจรรย์มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไร เพราะไม่เพราะไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงความชั่วมาเป็นความดีได้แล้วก็การจะทำตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์มันก็ทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเป็นอะไเป็นเป็นสานวนปรัชญาหน่อยนะคือมันเกิดจากความเชื่อที่เรียกว่าสัาตตถิทิคือความเห็นว่าเป็นของเชื่องแพ้แน่นอน หมายความว่าคนเราก็จะเป็นอย่างนี้เกิดเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเด่นนายกอเกิดเป็นนายกอก็ต้องเป็นนายกอยู่ตลอดไปนายกอจะเป็นนายขอไม่ได้นายกอชั่วแล้วจะเป็นคนดีไม่ได้เงี้ยมันเป็นแนวดิ่งทัานทั้งหลายอาจจะมองเห็นว่าความเชื่อเหล่านี้มีไม่ได้ที่จริงมันก็มีนะฮทาลองสังเกตว่า ความคิดเห็นของคนเราเป็นนันมากเนี่ยมักจะมองในแนวของการเมาโหรคนกระทำผิดไปครั้งเดียวก็ผิดตลอดชีวิตคือเรามองก็แง่เดียวหรือแสดงว่าเป็นความเห็นในลักษณะของสัตว์ตาติที หรือมาตรการยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้อย่างนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มันก็เป็นแนวของความเห็นในเรียกวย่าสตาทิธีบางทีก็อธิบายเป็นในแนวที่ว่าคนเราก็ไปอย่างเงี้ยเรื่อยมันเหมือนกับอะไรอ่ะก้อนอิดก้อนหินที่ไหล ก้อนก้อนหินที่ไหลไปไหนลําธารไหนแม่น้ำอะ่ะก็ไหลไปเอคือมันจะกลมมันก็กลมคุามันเองคือใครทใครทำให้กลมไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เป็นการปฏิเสธเหตุเป็นคําพูดที่เป็นการปฏิเสธถึงในพุทธศาสนานั้นได้แสดงในแนวขังเหตุจึงรับสั่งในแนวใหม่ว่า บุคคลที่กล่าวว่าใครทํากรรมมันใดไว้นะจะดีหรือชั่วก็ต้องรับผลของกรรมนั้นหมายความว่าในกรรมที่ทําเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนได้เป็นไปตามกรรมมันไม่ใช่ตายตัวในลักษณะนั้นด้วยจากนั้นก็จะทรงอธิบายถึงกรรมถึงกรรมที่ไม่มากนะะ แต่ว่าพูดถึงยกตัวอย่างมาปัจจุบันวันที่นํามาพูดกับท่านทั้งหลายก็เพราะว่าเราก็มีปัญหาว่าความชั่วความดีนี่ลบล้างกันได้ไหมเราทําความชั่วอยู่แล้วความไม่ใช่เราทําความดีอยู่แล้วก็เกิดทําความชั่วบ้างนี่ลบล้างได้ไหมคือเราเราเราเคยถกเถียงในประเด็นนี้กันอยู่เยอะ ในประโยคนี้ทรงอธิบายให้ฟังว่ากรรมชั่วระดับเดียวกันนะ่นะระดับเดียวกันบางคนทําไปแล้วเนี่ยก็ให้ผลได้ในปัจจุบันถ้าให้ผลไม่ได้ในปัจจุบันก็จบก็จบกันแต่บางคนกรรมอย่างเงี้ยทำไปแล้วนอะกจากให้ผลในปัจจุบันแล้วยังนวงเหนียวไปตกนรกได้อีกด้วย ตรงที่ตัวอย่างว่ามันเหมือนกับเราเกลือเอาเกลือไปใส่ในแก้วน้ําซึ่งป ร, ะยะปริยาปริมาณของน้ํามันไม่มากกันนะก็ใส่เกลือลงไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ทําให้น้ํานั้นเค็มได้แต่ถ้าเอาเกลือขนาดนั้นแหละไปใส่ในแม่น้ำของค่ะมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ไม่นับคน่าก็ยังเหมือนเดิมคือยังเกิด อ, อยู่เหมือนเดิมเพร่ะบาปกรรมที่บุคคลกระทำเนี่ยมันขึ้นขึ้นอยู่กับว่าใครกระทำเพราะที่ที่เราเคยพูดกันมาเนี่ยว่ากรรมนั้นมันจะให้ผลเป็นสามช่วงให้ผลในขณะนั้ น, น, นคือให้ผลในชาตินั้นและให้ผลในชาติต่อไปคือหลังตาย แล้วก็ให้ผลในชาติต่อไปคื อ, ค อ, คอคกีโปกีชาดก็ไม่ต้องมาตามให้ผลจนกว่าจะหมดแต่สำหรับคนบางคนเนี่ยมันจะให้ผลได้เฉพาะในชาติปัจจุบันถ่า้ผลไม่ได้ก็จบกันคือที่เขาเป็นอาโหสิครับไม่จะยกยอดไปให้ในชาติต่อไปแต่บางคนนั้นยังยกยอดเอ ไปให้เนโอกาสต่อไปด้วยอุปมาอีกอย่างหนึ่งนะตมงอุปมาอีกอย่างหนึ่งก็ทำนองคล้ายๆกับร่างกายร่างกายของเราเป็นคนที่โรคเจ็บปวดแอดแอดสารพัดโรคภูมิรันทานโรคไม่ดีเจอนิดเจอหน่อยก็เป็นโรคเจอนิดเจอหน่อยก็เป็นโรคนะ แต่ว่าคนบางคนร่างกายก็ดีรุปกระพก็ดีร่างกายแข็งแรงดีเจอสิ่งที่เป็นเหตุให้คนกลุ่มหนึ่งเกิดโรคเนี่ยเขาไม่เกิดเพราะอะไรเขามีภูม่มด้านฐานโรคก็ดีโรคเหล่านั้นก็ทำอะไรเขาไม่ได้โดยยกตัวอย่างพื้นฐานของการปฏิบัติคนบางคนบางคนที่มีจิตใจหมกมุ่นวุ่นวายด้วย อำนาจของกิเลสกายก็ไม่ได้ฝึกปลืออบรมมาจิตใจก็ไม่ได้ฝึกปลืออบรมมาศีลก็ไม่ได้ฝึกปลื้ออบรมมาสมาธิก็ไม่ได้ฝึกปลืออบรมมาปัญญาก็ไม่ได้ฝึกปลื้ออบรมมาเนี่ยตรนี้ไปได้ง่ายนะเราจะเห็นว่าคนพื้นฐานตรงนี้เพื่อนชวนไปทําชั่วอะไรก็ไปแล้วไหล ไ, ได้เรืนะ่อยๆก็พร้อมที่จะทําชั่วได้สารพัด เพราะเราผ่านจิตมันไม่มีนะฮะฐานจิตมันไม่มีไปจะแกว่งไปตามอำนาจของอารมอย่าที่ทรงสอนในแนวของพวกกายมุขจะในกรณีของพวกคนช่วยเป็นมิตรนี่นะมาค่านจิตใจก็เราก็อ่อนแอนะไม่ดูชั่วดูดีก็ควาควเป็นมิตรแล้วเขาดึงเราไปได้หมดเลย ไปเที men, color, heaven, ่ยวกลางคืนไปตื่นการลเล่นเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุราเล่นการพนันไปได้หมดเลยฮะทุกกระบยมุกนี่ไปได้หมดแต่คนบางคนที่จิตใจก็เข้มแข็งเนี่ยชวนเขาก็ไม่ครบเขาไม่เกี่ยวข้องด้วยเขาหาสมาคมสองข้อนุข้อกันเขาก็เอาแต่จะให้ไปทํากิจกรรมร่วมกันไปร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันแต่ทาอะไรตามกันเนี่ยเขาก็ไม่เอาเราก็เห็นว่า คนเหล่านี้ไม่สามารถจะดึงไปสู่อาบายามุกได้เพราะว่าเขาไม่มีจุดเริ่มต้นก็ไม่ยอมไปตั้งแต่ครบคนผ่านแล้วคนฟังก็ชวนเขาไปไหนไม่ได้เพราะเราเพราะเขาไม่ได้ครบด้วยเพราะนั้นเรื่องการอบรมเราจะเห็นว่าการอบรมเนี่ยมันเป็นฐานใหญ่ก็ทํายังไงจึงจะฝึกปลื้ม อ, อบรมไปเรื่อยๆ ในด้านส่วนร่างกายก็ควบคุมกายไปเรื่อยๆคุมได้บางคุมไม่ได้บางก็พยายามคุมเลิกกันเท่าที่เราจะทําได้ให้ลองสังเกตว่าแนวที่สรงแสดงไว้ในอาวาตวปาติโมกซึ่งก็กลายวันมาฆะเขาแล้วนะในอาวาตวปฏิโมกที่ยืนมันก็เป็นเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่ มุ่งไปสู่การไม่ทำบาปทั้งปวงนะคแต่จริงในภาคปฏิบัติก็คืองดเว้นบาปไปโดยลําดับจนกว่าจะถึงทั้งปวงก็ทํานองคล้ายๆการเรียนหนังสือจบระดับอุดมศึกษาแต่ที่จริงมันก็รู้ไปเรื่อยๆก็เรียนไปตั้งแต่อนุบาล น, นะมันมีเป้าอยู่ที่อุดมศึกษาแค่นั้นเองอุดมศึกษาผมก็เป็นเป้าไปถึงหรือไม่ถึงไม่รู้เราก็เรียนไป เพียงแต่ว่าทํำยังไงในชีวิตของเราเนี่ยโดยให้ว่าอาการทางกายมันดีขึ้นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายดีขึ้นมีการสํารวมระวังอาการทางกายมันก็คงจะไม่พูดถึงว่าสมบูรณ์ทีเดียวเพียงแต่ว่าเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่โ อ, อนไหวไปตามอำนาจของอารมณ์ แมนจะถูกกระทบกระทั่งกระแทกบางเรื่องก็ไม่ถึงก็กระเทือนบางเรื่องพอกระเทือนก็ว่ากันไปก็ค่อยแก้กันใหม่ในตรงนี้พึงพึงสังเกตว่าการอารงการรมวาจาที่พระเจ้าทรงสอนที่วางเป็นรูปศีลรูปศีลทังของพระทั้งของกระวา่ากันเ่ยมันเปิดโอกาสให้แก้ตัวชาวบ้านในสมาทานศีลในทุกวัน ภาษาศีลได้ทีหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสมาทานใหม่ได้แล้วก็ไม่นว่าอะไรแล้วยังดีนะภาษาศีลได้ตั้งสุโ ม, มงไนงะตั้งสุโ ม, มงตั้งสองชั่วโมงนะเขากอดไม่รักษาไม่ได้ต่อชั่วโมงหนงะมันก็ดีขึ้นนะนี่ก็คือลักษณะที่ยอมรับถึงความไม่เหมือนกันของคนทั้งหลายในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าคนทั้งหลายที่จริงถ้าตั้งใจมาฝึกปลื้มมันก็ทําไปได้ ด้านตั้งวาจามันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราก็ฝึกไปนะเช่นฝึกในกรณีของการกล่าวคํายากหรือกรณีของการกล่าวโกหกหรือการส่อเสียดแล้วพยายามลดลดไปได้ๆกล่าวบ้างไม่กล่าวบ้างเวลาเราไปกระทบอารมณ์นี่ปัญหาเรื่องใหญ่คือตอนกระทบอารมณ์ แต่ตร ง, ตร ง, ต, รงตรงในสถานการณ์ปกติก็ไม่จริงเราคนเราก็ไม่เมีปัญหาอะไรเลยหรอกปัญหาใหญ่ก็คือเวลากระทบอารมณ์ที่มากระแทกเกิดทาให้เราเกิดความรักความชังเนี่ยจิตใจมันอ่อนไหวไปง่ายก็ทําให้กายธรรมาจามันแปรผันไปตามหน้าของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกคุมวาจาไม่พูดซื้อบ้างไม่ทําซื้อบ้าง รู้อะไรควรพูดไม่ควรพูดรู้อะไรควรทําไม่ควรทําสามารถหยุดตัวเองได้มันก็อันนี้ก็ที่เราอบรมอบรมไปนี้เนี่ยอบรมกระทาให้มากกระทําบ่อยๆลักษณะของอบรมนะฮะคุณจะเห็นว่ารมอบอบก็คือทําอะไรคือทําให้สุขทําให้สุขทําให้หอมทำให้เ อ, อมีค่าขึ้นเนี่ยนะฮะ ลมก็คือทําให้จับแน่นสิ่งอะไรก็ตามที่เราลมนะเช่นเอาปืนไปลมบกพระลมอะไระอะไรเนะี่ยมันสนิน ม, มันไม่กัดทั้งสองคำเป็นกิริยานะเรามาใช้เป็นนามสอคําริงจริงเป็นกริยาทั้งอบทั้งลมเนะี่ยเป็นกิริยาแต่เรามาใช้เป็นอาการนามหรือแสดงให้เห็นว่าจะต้องมีการกระทําบ่อยๆทั้งอบทั้งลมเนี่ยกระทาบ่อยๆแล้วก็ทําต่อเนื่อง อบไปแล้วมันก็ต้องอ โ, อโอกาสต่อไปก็ต้องอบใหม่ต้องรมใหม่ต้องอบใหม่ก็ทํากันไปก็รมจนติดจนกลายเป็นภูมิที่คุ้มกันคุ้มกันใกล้ๆกับเช่นสมมติว่าปืนลมดำพระลมดำอันนี้ฮะเราจะเห็นว่ามันก็ขจัดสนิมป้องกันสนิมได้รักษาเนื้อ ของพระของปืนเหล่านั้นไปแล้วก็ณนะในขณะเดียวกันก็ป้องกันสิ่งที่จะเป็นเชื้อให้เกิดสนิมซึ่งมาจากข้างนอกเอาความรักษาเนื้อในแล้วก็ป้องกันอันตรายที่มาจากข้างนอกไว้ได้ก็เป็นการสร้างภูมิรั่นฐานขึ้นภายในตัวของสิ่งโดดานั้นและจนถึงอบรมในรูปของศี่ เมื่อวานนี่ก็ไปบรรยายที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจนะฮะละสังคมแห่งชาติผู้เสดเขาเขานิ ม, มลไปเป็นที่ปรึกษาแผนแผนแปดปจะจะเป็นที่ปรึกษานะคือรำคาญเรื่องแผนสภาพัฒน์เเกิดมนเล่นในเศรษฐกิจเรื่อยเล่นในเศรษฐกิจเรื่อยคือคือคือเศรษฐกิจเนี่ย มันเป็นการมองในแนวของตอบสนองความโลภแต่เราแต่เราลืมไปว่าการที่มีคนรวยมากมันแสดงว่ามีคนจนมากเราทรัพยากรในโลกมันมีอยู่จังจำกัดแต่ในเมื่อคนกลุ่มหนึ่งก็ครอบครองไว้มากมันแสดงว่าคนเป็นนั้นมากก็ไม่มีจะครอบครองไม่มีอะไรจะครอบครองคนรวยมากหมายความคนจนมากนะครบ้านสูงมากหมายความบ้านต่ํามากจริงจริงมันก็บอกกันอยู่ นะหรือว่าพระบินทบาทได้มากเนี่ยแสดงว่ามีบางองค์บินทบาทไม่ได้เพราะคนตักบาทไม่ได้เพิ่มนะฮะพระบินทบาทก็เท่าเดิมรั่วามากกว่าเมื่อมีคนตักองค์หนึ่งมากก็แสดงว่าอีกองค์ไม่ได้นี่ก็ก็ก็ภาพที่เราจะต้องมองไปแนวขนาดนั้นคือไม่ใช่มองมุมเดียวนะแนวธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนั้น เราจะเห็นว่าแนวศีลแนวศีลก็คือแนวที่สอนให้คนฝึกปลือยอมรับทังสิทธิของกันแล่นกันหน้าที่ของกันแล่กันสิทธิในรายก็สิทธิในชีวิตในทรัพย์ในคู่ครองในเชื้อสายตระกูลวงของการเล่นลการรับผิดชอบในจุดนี้ไม่ร่วงละเมิดกันแต่ว่าทั้งหมดมันต้องอาศัยการฝึก เราฝึกจนแผ่ไปในเรื่องต่างๆเราจะเห็นว่าเราฝึกจากชีวิตยอมรับสิทธิในชีวิตต่อไปยอมรับสิทธิในทรัพย์สินยอมรับสิทธิในผู้ครองเราฝึกไปเรื่อยๆยอมรับสิทธิในการรับความข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของคนนั้นก็แสดงว่าตัวอย่างตามปกติแล้วคนจะล่วงเกินกันเราฝึกเราฝึกตัวเรานะะคนอื่นล่วงเกินเราก็ไม่รู้ แต่เราก็พยายามฝึกตัวเราไม่ให้ลุ่มเกินไม่ลุ่มเกินคนอื่นทางกายทางทรัพย์สินทางคู่ครองออทางการหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีต่างๆก็เรียกสีนที่อบกลมอบรมในแนวที่ขยายกว้างไปเรื่อยๆแผ่แผ่ด้านกว้างนะฮะด้านกว้างทีนี้ในการอบรมนั้นน้องหมดเนี่ยมันมาจากใจ แหรือว่าแนวศีลที่อบรมแนวลึกเนี่ยมันจะมีผลมากคืออย่างรากลึกมันหนักแน่นแล้วจะกลายเป็นฐานข้องใจคือใจจะมีหลักใจจะมีคุณธรรมเป็นฐานคุ้มครองใจเอาไว้พระเจ้าจึงทรงสอนศีลในแนวลึกด้วยนะในแนวกว้างด้วยแต่มาความมาถ้าแนวลึกเลยมันจะดีกว่าแนวกว้างเพราะว่าแนวกว้างมันเป็นผลมาจากแนวลึก ผลมาจากจิตนะผลมาจากจิตทั้งหมดแล้พฤติกรรมทั้งพวกมันจะทอนจากจิตทั้งหมดเพราะจะสอนในแนวลึกเอาไว้ว่าเช่นในกรณีของอะไล่ะในกรณีของการกรักทรัพย์ก็ได้นะในการกรักทรัพย์เนี่ยเราฝึกตัวเองจนไม่รักเองเลยแล้วก็ฝึกตรงนี้ยในกรณีไม่รักเองสมมติว่าเราไปพบทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นเนี่ย ถ้าเราไม่ไม่สามารถจะเอาไปให้เขาได้เนี่ยเราก็ไม่ไปแต่ต้องอะไรอาจจะบอกกล่าวใครแต่ถ้าเราสามารถที่จะนำไปบอกกล่าวแก่คนอื่นได้หรือนำของนั้นไปมอบหมายแก่เจ้าของก็ได้โกธรรมแสดงว่าตรงนี้นอกจากงดเว้นแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมปฏิบัติคืออื้อเฟือมีอัตยาสาย เมตตาหวังดีต่อบุคคลทั้งหลายกลัวทรัพย์สิเนเงินทองก็จะเสียหายเราไม่รักเราช่วยดูแลเขาด้วยบ้านช่องของเขาเขาไม่อยู่เราช่วยดูแลช่วยดูแลรักษาทรัพย์ของเพื่อนมันเป็นความรู้สึกเป็นมิตรเใช่ไหมเป็นความรู้สึกที่เป็นมิตรต่อกันอะรกันทำนองคล้ายๆกับบ้าน เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเราก็จะช่วยดูแลกันตรงนี้ที่จริงแล้วเนี่ยท่านท่านทัน้งหลายเห็นว่ามันมันมันกลายเป็นธรรมะแต่ที่นี้มันมันมันเกิดมาจากจิตที่เรามีความรู้สึกดีต่อเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของเราแล้วจนถึงกับไม่ใช้บุคลลนะลบคลอื่นให้รับเราไม่ทําเองและไม่ใช้บุคคลอื่นให้รับ แล้วก็แนะนำบุคคลอื่นให้ช่วยเนอะาของเงินทองสิ่งของต่างๆเขาวางเขาตำตกหลนเอาไว้เราก็บอกกล่าวแนะนำให้คนอนั้นช่วยเอาไปมอบหมายให้เจ้าของเขาหรือจะบอกกล่าวเจ้าของเขาให้รู้ตักเตือนเขาไม่ให้ประมาทแสดงว่าใจมันแผนใจมันแผลลึกไปเยอะ ต่อการต่อไปนั้นไม่ยินดีในของที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำคนก็ซื้อของหนีภาษีมาให้เราไม่ยินดีไม่เอากขาลักขโมยของมาแบ่งให้เราเราไม่เอาแต่ของได้มาในทรรได้มาอย่างไงเนี่ยนะเอามาอย่างไงเนี่ยถ้าไม่รู้ที่มาเราไม่เอาหมายความว่าจิตใจมันสะอาดขึ้นยะกุบ ภูมิใจไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นได้แจ้จนถึงกับดำรงชีวิตด้วยสมาชีพเห็นไหมมันก็ค่าเป็นธรมรมะแหละทีนี้พอสมาชีพปั๊บเนี่ยอย่าลืมว่ามันจะมีปัญญาค่าวกำกับเพราะเราต้องแยกแยะด้วยว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเห็นไหมมันจะต้องมีสมาธิที่ค้าวกมกับแล้วการเลี้ยงชีพเราก็จะอยู่ในคันลองของธรรมมันเป็นภูมิจิตภูมิธรรม มันเป็นร่างภูมิธรรมภูมิจิตนะภูมิธรรมมันสร้างภูมิจิตจิตมันก็มีภูมิก็กลายเป็นเป็นภูมิจิตที่ป้องกันคุ้มครองยับยั้งการกระทํานะฮะที่พระเจ้าทรงแสดงว่ากรรมเพียงเล็กน้อยนะกรรมเล็กน้อยไม่ไม่ใช่กรรมใหญ่ทํำไมกรรมเพียงเล็กน้อ ย, เ พ, ย, เ, อยเพราะกรรมใหญ่ท่านไม่ทำโดยพื้นจิตจริงๆริงในท่านเหล่านั้นไม่ทํำนั่นคือกิจใจทิสา แ ต, แต่ในแต่ในในอภิธรรมนะฮะในอภิธรรมท่านอธิบายชาวนาของจิตคือคณะของจิตนี่เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดคณะอันนี้ก็ยากนิดหน่อยแต่เราแต่เราคิดแบบสังเกตจะไปพูดแบบอภิธรรมอัมนมันลึกซึ้งเกินไปนะฮะหมายความว่าท่านทั้งหลายลองลองสังเกตเชิงโกรธวูบขึ้นมาเราทําตามโกรธในขณะนั้นเลเนี่จะแรงมากเพราะว่าความโกรธมันขึ้นสุดขีดทั้มนมาถ้าํานวนบาลีเนี่ยถ้าเรียกว่าชาวนะที่หนึ่ง เกิดเกิดเกิดขึ้นชาวนะที่หนึ่งแต่ที่จริงชาวนามันเร็วมากนะะนับไม่ได้หราแต่ถ้าสมมติเราโกรธทําจะทําอะไรในพุ่งไปแล้วทีนี้เขาเขาแสดงอาการสำร้ำนึกผิดเขาขอโทษเขายกมือไหว้เขาน่าทําหน้าตาละค่อยเนี่ยความโกรธมันลดลงเห็นไหมความโกรธลดลงแม้เราจะทํายเราทําแรงเหมือนเดิมไม่ได้เพราะนั้นบาปมันจะน้อยตัวงนี้ยบาปมันจะน้อยจะให้ผลปัจจุบันไม่ได้ เรียกชวนาชวนาขณะขณะขณะปุบขึ้นมาทําในขณะนั้นแน่ใจเพราะแนวตรงนี้เราจะเห็นว่าอุบายวิธีที่ปุญาตยาท่านสอนนะนะน้ำนึ่งถึงสิบน้ำหนงถึงสิบนั่นคือลดลดอุณหภูมิของโคโทสะโลภะราคาที่มันเกิดขึ้นแรงลดชลดเสร็จจนมีเยอะที่เราไม่ต้องไปรู้อํานาจแก่กิเลสแล้นั้นนั้นเป็นวิธีฝึกทั้งหมดจึงกลายเป็นอุบายวิธี การกระทำกรรมเพียงเล็กน้อยนะเพียงเล็กน้อยนะแต่ว่าโดยพื้นจิตเราเห็นไะด้ชัดว่าคนประเภทนี้ไม่ทำคนประเภทนี้จะไม่ทำความชั่วที่เป็นบาปนะจิตใจเท่านเรียกว่าเป็นมหัตมะคือจิตใจเป็นอัธยาศัยดีนะมีเมตตามีอริยรอบถ้ามันเหลือกำลังจริงๆก็อาจจะนิดเดียหน่อยนะฮะทีนี้การให้ผลของกรรมเนี่ย นอกจากปลื้นจิต ท, ท่านดีพื้นจิต ท, ท่านดีก็ถ้าจะให้ผลก็ให้ผลได้แค่ชาตินี้เท่านั้นเองถ้าให้ผลไม่ได้กรรมก็จะเป็นอโหสิคือยกยอดลบยกเลิกไม่ให้ผลแล้วไม่มีโอกาสจะให้ผลมันจะมีลักษณะแบบโ อ, อกรกือเล็กน้อยนะใส่ไปในกระป๋องน้ําไมนะ่ ไม่ต้องในแก่ไม่ไม่ต้องในแม่น้ำคงคาหรฮะในในกระป๋องใหญ่ ๆ, ๆมันก็ไม่เค็มแล้วเพราะอะไรเพราะปริมาณน้ำมันมากปริมาณน้ำระดับนั้นมันมากแนวภาวนาจึงเป็นแนวหลักที่ทรงสอนให้เรากระทาโดยไม่ต้องบอกตรงนี้นะไม่ไม่ได้อธิบายไวนะ้ค่ะเราจะพบวราพืชสูตรแ น, แนวนี้เราไม่ค่อยเจอคือคื อ, ค, อคือไม่สอนในรุงรังนะนะฮะ ไม่ถอนในรู้สึกรุงรังสอนทําไปภาวนาไปภาวนาไปแล้วเมื่อเราภาวนาไปแล้วเนี่ยมันก็สร้างภูมิจิตเรามันมันเพิ่มภูมิธรรมขึ้นจีตเรามันก็มีภูมิจิตภูมิจิตมันวิลักจิตหลั ก, กจิต ก, ก, ก็จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวแม้จําเป็นจะต้องทำแม้จำเป็นจะต้องทําที่ท่านอุปมาเหมือนคนจับเหล็กเนี่ยคือถ้าจับด้วยความรู้เนี่ยมันร้อนก็ร้อนแหละแต่มันร้อนน้อยนะ มีวิธีจับนะจับเหล็กร้อนๆน่นนะเป็นว่าจับด้วยความไม่รู้ก็จับปังกันไปเลยเรียบร้อยมันก็เด็กจับกับผู้ใหญ่จับนะเด็กจับจับของสกปรกหรือจับของร้อนหรือจับของอะไรก็ตามเด็กจับกับผู้ใหญ่จับนันจะแตกต่างกันอันตรายที่เกิดก็จะมากน้อยไม่เหมือนกันนั้นเพราะอะไรเพราะตัวรูปเพราะนันจึงทรงใช้คำามา มีกายอบรมดีมีวาจาอบรมดีมีศีลอบรมมีสมาธิีอบรมดีแล้วมีปัญญาอบรมดีแล้วมันจะกลายเป็นภูมิเป็นภูมิที่คุ้มครองรักษาจิตเพราะไรพุทธธรรมะที่เป็นกุศลธรรมโดยรวมนะ่ะพูดแค่นี้เท่านั้นนะฮะพูดพูด้พแค่นี้ตั้งก็พอแล้วไม่ต้องพูดเรื่องอื่นหรอกกค่ศีลสมาธิปัญญาก็จกบแล้วก็ันหมดแล้วนะฮะมันหมดแล้วแล้วก็จะมารวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมด ก็ทรงสอนในแนวของการให้สร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเราไม่สร้างกรรมรุนแรงในปัจจุบันและกรรมที่ไม่รุนแรงนั้นเองสมมติว่าให้ผลมันก็ไม่แรงแล้วถ้าให้ผลไม่ทันมันก็จบก็จบกันในชาติปัจจุบันหมายความว่าเป็นการตัดรอนกระแสของกรรมไม่ลดน้อยถอยลง ไม่ใช่ว่าต้องตามชดใช้ต้องตามให้ผลการจัางกรรมประเภทต่างๆแต่ทรงอุปมาหเห็นในจุดนี้ว่าคล้ายๆกับเงินมันหายเนี่ยใครขอเสียดายหรือไม่เสียดายเราจะถามอีกทีว่าเงินใครเงินใครหายถ้าเงินก็อเศรษฐีรวยๆเยอะๆนี่หายไปตระบาทที่ดีบาทเนี่ยสนใจอะไร นะแต่ถ้าคนจนจนซึ่งมีเงินแค่สิบบาทหายไปสองบาทยังไง ม, มันหายกันตาลายเลยนะฮะเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่ว่าใครแต่นั่นเด็กมันไม่อยู่ที่ว่าอะไรจริงๆมันไม่อยู่ที่ใครใครเป็นคนทำสิ่งนี้นะจะเป็นบาปมากบาปน้อยเป็นตกนรกหรือว่าไม่ตกนรกอะไรแต่มันก็อยู่ตรงนี้เพราะว่าใจที่ อดอะไรนะฮะมายความว่ากาเองก็ไม่ได้ฝึกปลือไม่ได้อบรมมาให้เราลองสังเกตว่าพวกติดฟิงเสพติดพวกที่มีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยนะไปพูดอะไรก็นิดเดียวท่นเองเขาโกรธละนะพวกติดฟิงเสพติดจริงแล้วใหญ่เลยบอกว่านี่ติดฟิ้งเสพติดโกรธอ่ะโกรแล้วจิตใจมันอ่อนไหวนะฮะเด็กพวกนี้จิตใจจะอ่อนไหวมาก มันไม่ได้ฝึกปรือตรงนี้มาไม่ได้ฝึกปรือกายไม่ได้ฝึกปรือวาจาไม่ได้ฝึกปรือเรื่องสีไม่ได้ฝึกปรือเรื่องกิจมาไม่ได้ฝึกปรือไม่ได้พัฒ น, นาปัญญามาเพราะแนวตรงนี้จึงเป็นแนวที่ทำให้เราเนี่ยมันเกิดอาการในแนวที่เรียกว่าคร้ า, ายไข้รุมเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ลากกันไปเป็นแถวเลยก็เป็นเป็นรังของโรคเป็นกลุ่มของโรคไป เพราะใดเพราะว่าทุกจุดมันอน่อนแหนไม่ได้ฝึกปืนไม่ได้อรมแนอาการฝึกปืออบรมจึงเป็นแนวที่จะลดกระแสของกลให้เราลองสังเกตว่าคนที่ไม่ได้ฝึกปืนในเรื่องไม่เป็นเรื่องมันก็ทำได้แรงเลยนะเรื่องโกรดนิดเดียวมองตานิดเดียวทีหยิงปืนเลยยิงเลยวี้ยิงเลยอะไรก็ไม่รู้นะฮะจอรถขวางกันนิดเดียว รถแซงนิดเดียวเฉียวกันนิดเดียวอา้ากันไปกันใหญ่นี่แสดงนี่ว่าจิตใจอ่อนไปมรกเดี๋ถ้าคนที่เขาฝึกปลือมามันไม่มีใครเจตนาชนรถก ม, มีใครเจตนาชนหรอกเพราะฉะนันเราก็ให้อภัยกันได้นี้ประนองกันได้นะฮะแล้วก็ปัดปัญหาหรือไม่ได้เพิ่มปัญหาก็ให้ปัญหามันเกิดเท่าที่มันเกิด ล้วไม่สร้างปัญหาในโอกาสต่อไปเป็นการพูดยาวพูดถึงช่วงยาวในโอกาสต่อไปว่ากรรมกรรมที่เราเรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมเวทนกรรมคือกรรมให้ผลในชาติปัจจุบันในส่วนของความดีนั้นก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามท่านเห็นว่าคนที่เขามีพื้นดีอยู่แล้วนะ ก็ทําความดีได้ง่ายแล้วความดีมันจะผสมกลุ่มกืนเข้าไปนะสำหรับเขาแล้วมันก็ไม่เด่นอะไรหรอกสำหรับเขาแล้วก็ไม่เด่นอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะเขาเป็นเขาอย่างนั้นนะนะเป็นปกติของเขาแล้วแต่สำหรับคนที่ไม่ดีแล้วเกิดทําดีขึ้นมาเนี่ยเกิดทําดีขึ้นมามันเด่นมากนะฮะเด่นมากเลย เพราะงั้นมันมันมันจึงเป็นหน้สองด้านแม้จะสงแสดงด้านเดียวก็ตามเราจึงเข็นตัวอย่างตัวอย่างคนที่เคยเล่าไว้นี่ว่าดูแล้วไม่น่าจะไปได้แต่มันไปได้นะเช่นว่านายโจนคราวแดงจึงทำชั่วมาเยอะเป็นเพชฌฆาตนะฮะเป็นเพชฌฆาตฆ่าคณตามพิพากษาของบ้านเมือง ปลดกเกษียณอายุราชการประสาริบุตรท่านไปเยี่ยมแล้วก็เทศให้จิตใจสงบปรากฏรกฟังเทศไม่สงบใจมันคิดภาพมันขึ้นเลยข้าคนชั่วมาในปคอชั่วม า, วว ม, ามันไม่ไหวมันเอามาอยู่ประสาริบุตรถามว่า เป็นางานโไม่สนุกอะ่ะก็สังเกต ร, รู้นะไม่สนุกไอ้บอกไม่สนุกใจมันไปคิดถึงเรื่องกบกภาษาที่บตรท่ก็มีวิธีนะท่านถามว่าแล้วโยองฆ่าเองหรือว่าคนอื่นสั่งให้ฆ่าท่พาพระราชาราชาสั่งให้ฆ่าทีเ่เราฆ่าตามคําสั่งคนอื่นนี่เป็นบาปด้วยหรือท่านถามนะไม่จะตท่านบอกว่าไม่ใช่บาปนะะ ท่านถามดูว่าเป็นบาปหรือเปล่าโจนเขาแดงเป็นคนซื่อๆนะฮะเขคิดว่าผมไม่บาปนะผมไม่บาปปัป๊บแต่มันตัดกระแสได้ตัดกระแสได้ใจมันก็สงนะุกเราแสดงธรรมครั้งเดียวบรรลุโสโดาบันทิ่ผลมันเป็นไม่ได้ไงเห็นไหมคนฆ่าโจนมาตั้งแบบเป็นพธธธ ร, ร, ระเจ้าฆ่ามาตั้งสี่สิบกว่าปีฟังเทศครั้งเดียวฟัวงเทศครั้งเดียวบรรลุมรรคผลเป็นโสดาบัน ไม่น่าเชื่อแต่นั่นคือเราเห็นได้ชัดว่าสภาพจิตที่มันปรับกับมาเองมันปรับกับมันเพราคนช่วๆเดี๋ยวช่วเนี่ยก็ทําความดีขึ้นมารวมตัวจิตรวมตัวขึ้นมาได้มันก็เป็นทั้งศีลสัส้งประมาณทั้งปัญญาปายหายไปเลยสามารถมารรุ้มมผลได้คล้ายๆกับแนวพระองคุณิมานก็จะมีลักษณะอย่า ง, ง น, นั้นน่น่ะเห็นไหมฮะก็ทําความชั่วมาเยอะเ้าก็เลยรับฟังพระพุทธดำหรัดเพียงประโยคสั้นๆเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่ได้หยุด เราหยุดจ า, า, ากการฆ่าสังกาเป็นเวียนสังกามาทุจร้ายสัตว์ตัวเธอนั้นยังมีชุ่มด้วยโดยหยิบของชาวบ้านมีมือถือเต้า ก, ก็ก็ที่จริงมันพูดเรื่อนะ ง, งสีหน้าจริงพูดเรื่องสีหน้าก็เดียวแต่นั่นเองนะฮะเรื่องสีหน้าก็เดียวแต่นั้นเองท่านก็หยุดยิงดาบไดนะ้แล้วก็วางดาบได้แล้วก็ฟังเทศแล้วก็ บ, บรรลุมรผลเป็นโสดาบันนะเนฮะต่อมาก็บรรลุเป็น พระรหันขึ้นมาได้นั่นเราจะเห็นว่าสายของคนที่ทำชั่วแต่เขาเกิดทำดีขึ้นมาเขาก็ไปได้นะมันจะทำให้เห็นว่าโอกาสโอกาสของคนเราทั้งหมดนี่อย่าประมาทกนะันทำชั่วแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้กับเนื้อกระตัวใหม่ได้มันผิดพลาดยังไงก็ตามเราก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงกันได้ ยังแนวของการผิดศีลของพระเนี่ยนะพระมีศีลอยู่เจ็ดเจ็ดกลุ่มใหญ่ใหญ่เจ็ดข้อใหญ่ๆแต่มีย่อยเยอะนะฮะแต่หมายความว่าสรุปว่าเจ็ดหมวดใหญ่ใหญ่ด้วกันมันมีอยู่ชุดเดียวแต่นั่นเองนะฮะที่พระต้องแล้วขาดจากศีลสูงสไปเลยถ้าอย่างนั้นแล้วไม่หรอกให้อภัยไปเรื่อยๆนะคับเขี่ยวโลกหกล้มหกลุกไปเรื่อย โดนึกดูว่าพระบางองค์อย่างพระฉันนะอย่างที่เคยเล่ามาฟังเห็นไหมฮะพระฉันนาเนี่ยหกล้มหกุกอุตรุดอุตรุดเนี่ยประมาณสักอาวายัางคิดว่าอย่างน้อยในยี่สิบห้าปีนะพระฉันนะเนี่ยเพราะว่าท่านบวชในช่วงหลังในช่วงหลังหลังจากเราพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากกระบินภพมาแล้วนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลายพุทธสมัยอย่างย่งช้าเนี่ก็กลางๆง ก็สรุปประมาณทั้งยี่้าปีเนี่ยอาจจะไม่ถึงอาจจะเกินนะอาจจะเกินอาจจะถึงสาสิบกว่าทะทำไปเพราะพูุ้ทธเจ้าเสด็จเสด็จในครั้งแรกก็ประมาณปีที่สามหลังจากสระสรุปแล้วก็ประมาณสักเจ็ดแปดปีหลังแมพวกราชกุมารสักยะก็เริ่มออกบวดกัน แ, แสดงว่าท่านชนะก็อย่างน้อยในยี่สิบห้าปีแต่ช่วงตรงนั้นท่านก็อิเลกขะเยอะแยะไปหมด ไม่มีอะไรแรงนฮะไม่มีแรงแรงรนรวนกวนกวนเอ่อเอ่อทำไปรำคาญนะนะทําให้รําคาญนะสร้างปัญหาอยู่เรื่อยๆเหมือนกมมศนะฮะมันมือนกมมศขึ้นไม่ไม่ไม่ถึงกันแรงอะไรแต่ว่าท่านก็มบรรลุมรรคนเป็นประหานได้เห็นไหมนี่ก็ก็แสดงว่าไอบาปกรรมที่มันมันมันไม่มากันนะฮะไม่มากเนี่ยไม่มาก ถ้าเรามีความดีมากมันก็ให้ผลอะไรเราไม่ได้ทมอะไรเราเราไม่ได้ก็ยกยอดตามเราไปไม่ได้ด้วยที่ว่าเป็นอโหสิเพราะพื้นจิตเราดีภูมิธรรมเราดีเราฝึกปลืออบรมกระทำไปเรื่อยๆทีนี้กรรมประเภทที่เราเรียกว่าอุปปัชชเวทนิยกรรม กรรมที่จะตามไปให้ผลในชาติพวกต่อไปหมายความว่าถ้าคนที่มีพื้นจิตไม่ได้ฝึกเปลือยอรมมาเนี่ยทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยมันก็หน่วงเหนียวไปสู่นรกได้ทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยก็หน่วงเหนียวไปสู่นรกได้เพราะอะไรเพราะว่าภูมิธรรมไม่มีพอภูมิจิตต่ำภูมิธรรมน้อยภูมิจิตต่าภูมิธรรมน้อยทาให้จิตมัน มันรับรับความเลวร้ายได้ได้ง่ายนะนอกจากตัวเองจะรับผลในชาติปัจุบันแล้วเนี่ยกรรมนั้นยังต้องตามไปให้ผลได้อีกเกาเรียกว่าเศษของกรรมหรือว่าผลที่เหลือจากกรรมที่ให้ผลแล้วจะ ต, ตามไปให้ผลในภพชาติต่อไปได้เรียกว่าเป็นอุปปัชชะเวทานากรรมแต่ว่ามันให้ผลได้เฉพาะ เฉพาะคนที่ที่ไม่ได้ฝึกปืออบรมมานะฮะไม่ได้ฝึกปืน อ, อบรมมามากพอท่านก็ไปอย่างนั้นแล้วก็ถ้ามาท่านที่ฝึกปืออบรมมาพวงนี้มันก็ตัดละอุปปัชชะไม่มีอปรราปภระอีกอันหนึ่งที่ตาไมา่ปวดนี่จะไม่มีมันมันจะให้ได้แค่แค่ชาติเดียวเพราะงั้นเราจะเห็นว่าอาโหสิกรรมจึงมีอยู่จริงๆแล้วจะมีอยู่สามสามประเภทคือหนึ่ง เป็นกา ร, รที่ให้ผลเสร็จแล้วเรียกอาโหสิกรรมสองเป็นกรรมที่ที่ไม่มากะนะฮะไม่มากแล้วคนนั้นเขามีบุญอยู่มากไม่มีโอกาสที่จะให้ผลมันก็กลายเป็นอโหสิเฉพาะกันชาติชาติเดียวสามก็คือท่านผู้นั้นบรรลุมรรคผลเป็นพระานไปนก่อนอันนีพานน ะ, ะต้องต้องนิพผานนะฮะ หมายความว่าถ้าชีวิตยังอยู่เนี่ยกรรมมันตามมาให้ผลได้จนกว่าจะตายพูดง่ายๆว่าพระหันต้องตายก่อนนะจึงจะละอดีตกรรมได้ท่านละได้เฉพาะกรรมหลังจากตัดสรุหลังจากบรรลุมรรคผลเท่า น, นั้นเองเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสทั้งหมดเกิเลสทั้งหมดกรรมก็ั้งหมดแต่ว่าก่อนหน้านั้นกิเลสยังอยู่ยังไก่อนหน้านั้นกิเลสยังอยู่กรรมก็ต้องอยู่กรรมก็ต้องตามมาให้ผลแก่ท่านแก่เขาเรียกว่า ขันตอนสุดท้ายนะฮะขันตอนสุดท้ายก็จนกว่าท่านจะตายอย่างพระพุทธเจ้าของเราเราจะเห็นว่าตามไปให้จนโน่นไปจนถึงก่อนจะนิพพานไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยกรรมยังไม่ให้อิพนอยูเลยที่ตอนเสด็จผ่านแม่น้ำกกุนะูทานทชีเกิดกระหายน้ำนะฮะเพราะว่าลงระวังโคนนาว่าคือถ่ายท้องเยอะเลย ท้องต้องเดินก็แวะถ่ายเรื่อยนะเพราะว่าไปเสวยเนื้อสุกรอ่อนที่บ้านนายจุนท้าเข้านะฮะแล้วก็ลงรถบางคนหนักมาเป็นโลหิตมาตั้งแต่กลางและในวันษาแล้วนะก็พุทธเจ้าท่านท่านอิริยาบถทันแย่เนะี่ยไม่ไม่ปกตินั่งนั่งประทับอย่างเงี้ย น, นะฮะคนเข้าเฝ้าหมุนวนนะ่นะฮะคนเขาเ้าหมุนแล้วคน คนอินเดียนียย Bread, เน่เป็นเป็นเป็นชาตินักฟังชั้นยอดนักพูดชั้นยอดนะยอดสุดมันอยู่ที่อินเดี ย, ยเหมือนภูเขามาลัยสูงที่สุดอยู่ใ น, ในอินเดียอินเดียเขาพูดคนเดียวได้แปดชั่วโมงนะผููเป็นเล่นไปคนฟังเนี่ยฟังแปดชั่วโมงได้ด้วยฟังเรียบร้อยอ่ะนั่งนั่งนั่งนั่งรัดเขาอินเดี ย, ย, ยชอบนั่งรัดเขาฟังนั่งรัดข่าบางทีก็พ้าขามามารัดเอวโดยแล้วคาดโดยจะเข า, ขานั่งโยกไปเลยนั่งโยกฟัง ฟังทนนะฮะฟังทนเป็นพวกที่ฟังพนแล้วก็พูดได้ทนเป็นนักฟังชั้นยอดเป็นนักพูดชั้นยอดอยู่ที่อินเดียทั้งหมดนะาะงนั้นอียิปต์ก็ก็ไม่ดีนะอยิปตดก็ไม่ดีทําให้ร่างกายไม่ดีเพราะร่างกายมันเป็นเป็นโลกิยะนะะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตด้วยด้วยพระไทยแต่นั่นเองร่างกายก็คือร่างกาย ก็ทาให้กระหายน้มอยู่ดานนั่นก็คือวิบากกรรมที่รับสั่งเล่าว่าเป็นอดีตกรรมที่ตามมาให้ผลเห็นไหมว่าสตรบใดที่เรายังไม่ยังไม่ตายนะฮะยังไม่ตายแม้จะเป็นพระหันแล้วแต่ยังไม่ตายก็กรรมบางอย่างตามมาให้ได้นะตามมาให้ผลได้แต่พอท่านนิพพานปั๊บจบ หือท่านตายปับปับก็ไม่มีที่จะให้ผลนะฮะไม่มีที่จะให้ผลตรงนี้ก็เป็นอโหสิเพรานันอโหสิจึงมีได้สามอโหสิแต่จริงส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่มีการร่วงเกินกันร่วงเกินกันเฉพาะตัวไม่เกี่ยวกับอาณาแผ่นดินนะฮะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับไอ้ตรงเนี้ยมายอมความกันได้นะฮะชอมรอมยอมความกันได้ก็ถือว่าเป็นอโหสิกันได้ แต่ถ้าเป็นอาญาแผ่นดินคู่กรณียอมความและสารไม่ ย, ยอมตำรวจไม่ยอมนะเพราะบันผิดอาญาแผ่นดินตรงนี้ก็เป็นโหสิได้แต่อย่าลืมว่าเป็นการล่วงเกินเพียงเล็กน้อยประเด็นที่ทรงสั่งสอนในจุดนี้เราจะเห็นว่าต้องการจะเน้นให้คนเนี่ยพยายามสร้างภูมิรันฐานเป็นหลักเพราะเรากลัวการให้ผลของกรรมโดยเฉพาะกรรมที่เป็นบาป แล้วกลัวกันตกนรกเห็นไหมหเรากลัวกันตกนรกกลัวให้ผุ้งกังกรรมได้เป็นบาปก็ทรงสอนที่เราได้ยินว่าถ้าจะทําบาปถ้าจะทําบาปอย่าทําบาปบ่อยๆนะนะถ้าจะเผลอเผลอทำไปก็อย่าทำบ่อยๆนะเพราะว่าถ้าทําบาป บ, บ่อยๆมันเกิดสะสมทําให้ภูมิต้านฐานจิตนี่ตามเห็นไหมมันคุ้นเคยคุ้นเคยสะสมจนคุ้นเคย สถานการสะสมเหล่านี้จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปโดยลำดับทั้งหลายลองลองสังเกตว่าจิตใจของคนเราในปัจจุบันนะมันสะสมอารมณ์อารมณ์ไเยอะเวลาแกทำอะไรแกแรงะแรงจนจนไม่น่าเชื่อจนไม่น่าเชื่อว่าแม้แต่พระเนรน่ะนะแม้แต่พระเนรเมื่อก่อนนี่ว่ากล่าวตักเตือนนะการได้แล้วรับรองออกฟังเรียบร้อยเลย นะเวลานี้ต้องดูนะฮะต้องดูจังหวะจากคนจะว่าจะ ก, กล่าวจะตักตือนเขาอ่านะไม่ได้ปเดี๋ยวพูดเฉียงก็โกรธนะบางทีถ้าตีถ้าต่อยไปหายไปเลยนะฮะนี่นี่คือเราเห็นในฐานะเทียมมาบวชมานานตังสี่สิบปีเนี่ยเราอยู่ภาคตรงนี้เราเห็นเนี่ยเราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วอัตฉรยสัยคนเปลี่ยนไปนะบางทีเขาเห็นปั๊บเนี่ยเขามันนั่นเลยฮะเขาหยุดอเห็นปับ๊บเห็นพระปัป๊บเนี่ยเขาหยุดแล้ ชาวแม่ตายาทโยมก็เปลี่ยนไปเยอะชาวบ้านเนี่ยฮะเปลี่ยนไปเยอะเลยอย่างยังสมัยก่อนไม่ต้องพูดภาคอีสานภาคเหนือซึ่ ง, ซ, ง, ซ, งซึ่งดีมากกันนะภาคใต้เองซึ่งคนค่อนข้างแข็งกร้าวนะเขาทำอะไรปาณนาธิบาตเช่นวมดไปตกเบ็ดจับปาลาอะรตถ้าเห็นพระแล้วหลบหมดไม่มีให้พระเห็นนะนะไม่มีให้พระเห็นเนะ แต่นี้มันทิ้วปลาไปเชื่อกันในวัดเลยมันมันไป ล, ลิบนะมันห่างกันมากเลยห่างกันมากมันคือความเปลี่ยนแปลงคนทางอีสานเมื่อก่อนพอเห็นพระปั๊บี่นั่งที่พื้นเลยนะฮะนั่งทีพื้นกราบที่ดินนะบองอยักกราบโยมหยัมยกมันเพื้อนไ ม, ไม่เอามันต้องกราบเลยต้องกราบต้องแสดงอย่างนั้นทุกวันจะทํำยังไงว่าเดินใหญ่ก็ชนก็บุญแล้วนะต้องต้องคอยหลบเอาอ่ะ นั่นคือคือคือคือจะเห็นว่าที่จริงมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปแยะเพราะว่าคนไปเก็บไปสะสมสะสมมวลฤทธิษทางจิตเนี่ยนะฮะสะสมไม่มากมันเป็นลักษณะของอาสวะที่อยู่ภายในจิตใจของคนเวลาอะไรจึงออกมาในรูปของความรุนแรงแล้วก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้อย่างน่าเฉยตาเฉยนะฮะพูดถึงเรื่องนเนี้ยอย่างน่าเฉยตาเฉยไม่รู้สึกไม่รู้สึก และอายบาปไม่รู้สึกกลัวบาปไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดซึ่งกระแสตรงนี้คงจะแรงไปเรื่อยๆนะคงจะแรงไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราไม่แก้ไม่แก้ไขในโครงสร้างของสังคมให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการการให้การศึกษาที่ถูกต้องเมือานที่พูดนยฮะพูดไปตั้งชั่วโมงกว่า เห็นตัวเป้งๆนะนานๆเนี่ยพูดในตัวเป้งๆอะไรขาธิการอะไรอรสภาประธานสภาพัดอะไรตัวเป่งๆมันมานั่งเยอะเลยเลยเทศเยอะเลยคือเราจะเห็นว่าถ้าเราปล่อยถ้าเราปล่อยในแนวนี้โดยไม่ได้นึกถึงวิธีการของบรรพชนเนี่ยนะครับที่สร้างสังคมสงบเย็นมา ส, สังคมที่ประณีประนอมสังคมที่ประสานประโยชน์สังคมที่อบอ้อมอารีสังคมที่เป็นสยามเมืองยิ้มอะเราปูยาตายายเราสร้างมาอย่างไงสยามเมืองยิ้มอะสร้างเป็นลักษณะนิสยัยเพราะเขาสร้างมาให้คนนี่มีเมตตาไมาตรีต่อคนนั่นหลายนั่นคือภูมิจิตโดยเห็นว่าภูมิจิตจนสร้างเป็นสายเลือดว่าคนไทยไม่นิยมความรุนแรง คนไทยถึงจะทำศึกสงครามไม่ถึงกับผ ว, วาผวาอย่างพมา่าอย่างนั้นเราไม่ทำหรอกกลัวบาปกลัวบาปนั่นก็คือภูมิจิตที่สร้างจนเป็นลักษณะนิสัยเป็นลักษณะนิสัยขอยงคนไทยเห็นไหมว่าอะไรก็ตามที่คนอื่นก็ทำเนี่ยคนไทยไม่ทกคนไทยไม่ยอมคิดคนไทยไม่ยอมทำคนไทยไม่ยอมพัฒนากับบอไอไอ้ไอ้บ้องบ้องไฟ ถ้าเราพัฒนาบ้องไฟเราก็คิดจะรวยได้นะคิดจะรวจได้มันมันมันมันต่อไปไม่เท่าไรเราก็เป็นจะรวจแล้วบ้องไฟนี้แต่เราไม่เอาฮะมันบาปนั่นคือลักษณะใจที่ที่กลัวบาปใจที่มีฮีริใจที่มีอุตตระสร้างเป็นลักษณะนสิสัยขึ้นมาแต่ในปัจจุบันเนี่ยกระแสที่ปล่อยให้คนแย่งกันด้วยความอยากเนี่ยคนจะไม่กลัวบาป เมื่อวานมาก็บอก พ, พูดตัวตัวตัวตั ว, ต ว, ต ว, ต ว, ตวนะบอกว่าให้ให้เรังเกตหรือว่ากระแสสังคมที่สูกสร้างขึ้นระหว่างคอรัปชันกับคอมิชชั่นก็คือคอรัปชันจริงๆก็คือคอรัปชันแต่ว่ากระแสสังคมมันสร้างให้ใหไอ้คอมิชชั่นกลายเป็นถูกต้องเป็นความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็คอรัปชันเป็นความผิดนะต่อมาก็คอรัปชันว่ามีใบเสร็จหรือไม่มีใบเสร็จ เอาไปกันใหญ่เลยทีนี้คนรับชั้นมันจำเป็นต้องมีอะไรใบเสร็จลราแม้แต่ความคิดทางวินยัยจะมาพยายามอธิบายเรื่องวินยัยพยายามชี้แจงดีเขาพูดเรื่องวินัยที่มันหมอหวากันอะไรกันอยู่เนี่ยว่าวินัยไม่ใช่กฎหมายนะอย่าไปเข้าใจว่าวินัยคือกฎหมายวินัยนั้นคือศีลี่เป็นเป็นบทบัญญัติเป็นปัจจิต่างเราผิดเรารู้ว่าเราผิดมันไม่มีคนอื่น ร, รู้เรารู้ว่าเราผิด มันเหมือนอะไรมันเหมือนเรากินเกลือเนี่ยเรารู้ว่าเราเค็มแต่แป๊บคุณก็เค็มแล้วคุณไม่ต้องให้ต้องตั้งคณะกระกรมการเพื่อสอบสวนว่าพระนี้กินเกลือเข้าไปมันเค็มหรือเปล่าไม่ต้องตั้งเค็มแล้วเรารู้เราเองเราจับไข่แป๊บเนี่ยร้อนเรารู้นะร้อนเองเราร้อนเอ ง, อเอง ไ, มไม่ต้องการให้คนอื่ น, นมาบอกว่าร้อนนั่นคือคือเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นศีลจึงเป็นจิตสำนึก เป็นจิตสํานึกที่ไม่จําเป็นจะต้องโจดไม่จําเป็นจะต้องมีคนโจดอะไรแต่ว่าการโจดนั้นเขาใช้สมรับคนที่เรียกว่าดุมมังกุคือหน้าด้านคนหน้าด้านนะไม่ยอมผิดไม่ยอมรับผิดก็ต้องโจทดท่านนั้นเองแต่ตามปกติก็ไม่โจดกันนะนะะไม่โจดกันนะสิรู้กันเองอย่างดีก็เรียกมาปิดประตูห้องคุยกันหน่อยนะซึ้บซึ้ซึ้ซซซซกันหน่อยนะฮนะมาเ่แนะนำมาหน้าแล้วเว้นแบบตึกตึกไปเต้ อย่าไปทำให้เสียหายในเราใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้เราเราไม่มีอะไรอ่ะใช้ใช้วิธีนี้พอพอมีปัญหามราก็เรียกมาคุยกันเท่านั้นแตะนั่นนั่นก็คือความคิดที่เราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็แสดงให้เห็นถึงว่าภูมิจิตเนี่ยมันขาดภูมิธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองแล้วก็แสดงความเห็นแก่ตัวออกมา นะลักษณะความเห็นแก่ตัวออกมาเห็นแก่พวกพ้องตัวออกมามันก็กลายเป็นเงื่อนไขที่จะเพิ่มบาปหรือจะเพิ่มบาปเพราะงั้นแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่ทรงยกตัวอย่างมาให้ดูสองฝ่ายเนี่ยให้ดูสองฝ่ายจุดุ่งหมาจริงๆเราเห็นได้ชัดเลยว่าต้องการจะให้เราสร้างภูมิสร้างภูมิคุ้มกันเรากลัวนรกเรากลัวผลกรรมนะฮะเรากลัวผลบาปบา ป, ปกรรม กรรมที่เป็นบาปเรากลัวตรงนี้เพราะงั้นถ้ากลัวตรงนี้ก็พยายามสร้างภูมิไว้แล้วจิตมันจะอยู่อีกระดับหนึ่งจิตจะอยู่ระดับหนึ่งจะไม่ทำกรรมอย่างที่คนอื่นก็าทำนะเรื่องขนาดนี้บางทีก็ถึงชกต่อยกันบางทีก็ตีกันหัวร่างข้างแตกแต่ว่าคนภูมิจิตขนาดนี้ไม่เอาไม่เอาด้วย ไม่ไปด่าไม่ไปว่าเขาไม่ไปซ้ำเติมอะไรเขาซึ่งแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายลองลองสังเกตว่าเดิมทีเดียวเนี่เราคิดกะดีไทยถูกสร้างเป็นคนลักษณะคนไทยนั้นไม่เหยียบคนลมไม้ลมข้ามได้คนล้มอยากข้ามเรียนนี้ก็ทชื้มเยไปหายเลยเพราะเพื่อนล้มก็ทื้มเลย นี่คือลักษณะลักษณะอย่างหนึ่งว่าเป็นจิตภูมิจิตที่มันตามมากแล้วคนเหล่านี้กลายเป็นวีรชนะคนที่กระทืบคนล้มนี่คือวีรชนเลยนั่นคือความคือความสับสนในด้านคุณธรรมเป็นบรรดาใหญ่นะฮะเป็นบรรดาใหญ่มากของถ้าถ้าเรามองรับผิดชอบ ส, สังคมนะฮะแต่ถ้าเรามองในแง่อุเบกขาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่รับรู้ช่างช่างเขาเนี่ก็ได้ แต่วา่าอย่าลืมว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเรื่องของความทุกขนะ์เป็นปัญหาเรื่องของความทุกข์ที่เราจะต้องมีเมตตากรุณานอกจากว่ามันนอกวิสัยนอกวิสัยที่เราช่วยอะไรไม่ได้เราจึงใช้อุเบกขาไม่เอาอุเบกขาเรื่อยนะอุเบกขาเรื่อยเรายุ่งหมดละนะอย่างที่บอกท่านต่งางยว่าอุเบกขานั้นเหมือนกับห้องนอนนะฮะ นอนเป็นเวลานะไม่ใช่นอนอุตลุดนะนอนอุตุแล้วก็ยุ่งเหมือนกันนะนอนเป็นเวลานอนเป็นเวลาที่จาเป็นต้องนอนก็นอนนะเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพพระลาณานะไมยดีร่างกายได้พักผ่อนแต่ถ้านอนอุตลุดก็ยุ่งนะเพราะฉะนั้นคิดถึงภาพภาพที่เคยอุปมาอุปสนะัมภาะว่าบ้านก็เหมือนกับเมตตาบ้านทงนางมาห้องน้ำห้องอาหารก็เหมือนกรุณา ห้องรับแขกก็เหมือนกับมุติตาซึ่งเราต้องใช้ให้สมควรแก่กันนิดนั้นๆเป็นการใช้อย่างนี้ก็คือเป็นสร้างการการสร้างภูมิจิตภูมิจิตของเราให้มีเรือนจิตเรือนจิตเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยข้างจิตยกจิตขึ้นมาโดยจิตจะไม่กระทำบาปทีนี้บาปเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะฮะพอไปถึงจุดหนึ่งมันไม่ให้ผล เพราะมันถูกสลายเมื่อก็เกลือลงไปในแม่น้ำมันถูกสลายไปถามว่าความเค็มนั้นมีไม่มีฮะมีถ้าเราน้ำมาเคี่ยวมันค้นมันห้มันก็เจอเค็มไหยนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันอยู่เยอะเลอเกินแนวทำนองคล้ายๆกระตะ ก, กรนอนก้นภาชนะที่ท่านยกออกมานั่นแหละทีนี้ถ้าจำเป็นล่ะถ้าจาเป็นต้องทำจะทำบ่อยๆ อย่าทำบ่อยๆแล้วอย่าพอใจในความชั่วไม่ใจทำแล้วเออก็ทำแล้วก็สนุกดีนะฮะแตทำไม่ได้เพราะถ้าพอใจในความชั่วนั้นจะเกิดการกระทำบ่อยๆเพราะท้าบ่อยจิตมันจะต่ำจิตมันจะลดต่ำลงไปแล้วจะทำอะไรได้ไปสิเต้เคคล้ายก็ยยยเริ่มขโมยไม่ขีดไฟมาดีแ ล, ล้วกลากกันนะ แล้วก็ปล้นได้นะฮันวลาเนีปล้นได้มันสะสมกิตสันดานเป็นพฤติกรรมที่ค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพฤติกรรมเหล่านี้มันก็ดูง่ายๆคล้ายๆกับเราเดินนะเราเดินไปตามอะไรก็ตามแต่พยายามรักษาเสื้อผ้าอะไรแต่ไดนอย่าให้เปื้อนแต่พอถึงมันเปื้อนแล้วเออชักจะเฉยๆแล้วฮะก็ปล่อยไปเลยปล่อยไปเลยก็เปื้อนไปหมดเลย นี้ก็คือลักษณะว่าทํายังไงจะรักษาตัวเนี่ยอย่าให้เปื้อนไปเรื่อยๆรักษาความสะอาดไวมากที่สุดแต่ว่าชีวิตจริงๆมันไม่ใช่ร้อเอร์เซนต์ตรงนี้ไม่จะพูดเรื่องร้อยเปอร์เซน์นี่ยนะฮะไม่จะพูดเรื่องชีวิตร้อยเปเซนตแต่พูดเรื่องการสร้างภูมิจิตย้ายภูมิจิตมันบกพร่องนะฮะย้ายเป็นโรคเอดทางจิตกันนะย้ายเป็นโรคเอดทางจิตคื อ, อย้ายจิตมันบกพร่อง มันจะไวต่อโรคมันจะกระทบอะไรนิดกระทบอะไรหน่อยแล้วมันมันเพิ่มความรุนแรงซึ่งหมายความว่าปัญหามันก็ยืดเยื้อคล้ายๆกับอะไรละ่ะคล้ายๆกับไอ้ต้นไม้ที่มันมันมันมันมีปลวกมีมอดอะไรชนชายอยู่เยอะนะครับถูกลมนิดเดียวก็ค่นละตกลมนิดเดียวก็ค่นละแต่ถ้าต้นไม้ที่แข็งแรงเนี่ย ลมไม่หนักจริงๆนี่ไม่เป็นไรเรานั่นคือเทียบเคียงได้ทั้งหมดระหว่างภูมิจิตนะฮะ ร, ระหว่างภูมิจิตภูมิรัานทานโรคอะไรต่อไรเนี่ยทรงอุปมาอีกอย่างหนึ่งไอ้ น, นี่อันนี้เราคงนึกออกยากนะฮะนึกออกยากว่าหมายความว่าต้องอุปมาว่าเหมือนกับพวกพรานล่าสัตว์เพรานล่าสัตว์จับอะไรต่อไรไมัได้เนี่ย จับศาสต์มาได้เนี่ยผ่านผู้หนึ่งเนี่ยต้องฆ่าแน่นอนผู้หนึ่งเขาไม่ฆ่านะเช่นว่าพระราชาไปล่าศาสตร์เนี่ยเยอะไปจับตัวมาท่านนั้นดันเลยเอามาฆ่าสนุกท่านน่ะสนุกท่านแต่ถ้าคนจนเนี่ยแกล่ากินแน่เลยจับมาได้เนี่ยแกต้องฆ่าต้องฆ่าแน่แล่นั่นก็คือว่าพื้นฐานที่จะเห็นว่าจะเพิ่มบาปหรือไม่เพิ่มบาป แนะสดงให้เห็นว่าเพิ่มบาปหรือไม่เพิ่มบาปว่าคนจับสัตว์มาได้เนี่ยถ้าไม่ฆ่ามันก็แค่ทรมานสัตว์บาปมันไม่มากโดยถ้าไปฆ่าท้าวมันก็กลายเป็นการฆ่าสัตว์เป็นปานาติบาบาปมันก็หนักขึ้นเพราะันคนที่ล่าสัตว์เพื่อกินเนี่ยเขาเอามาฆ่าแน่ แต่คนที่ไล่จับสัตว์เพื่อสนุกนะฮะอย่างพวกฝรั่งเดี่ยวเาาบปลาในพวกคนรวยๆก็ลาปลาใ น, น, าาในหมหาสมุทรนะฮะตกเบ็ดได้จับปลาได้เสร็จแล้วก็สู้กันทักปลาทักพักหนึ่งก็เพื่อนก็เจ็บเจ็บคางนิดหน่อยนะแล้วก็ปล่อยเอามาปล่อยไปนะต้องการพิสูจน์ทดสอบฝีมือเขาบ า, บาพมอนกันไม่ใช่ไม่บา บาปไม่ใช่ปฏิเสธบาปนะฮะไม่ใช่ปฏิเสธบาปเพียงแต่ว่าบาปมันจะไม่ขยับต่อไปนะไม่ใช่ขยับต่อไปว่าจับขึ้นเรือไปถึงข่าเอาไปขายเอาไปกินนะไม่ไม่ใช่อย่างนี้นลาบปลาเพื่อจะเพื่อจะต่อสู้ดูเพื่อทดสอบวิธีการตกเป็ดของตัวดูนะแล้วก็ดึงกับปลาเล่นพักหนึ่งนะะแล้วก็ปล่อยปลาไปปลาก็เจ็บนั่นแหละปลาก็เจ็บก็ไม่ใช่ปฏิเสธบาปเพียงแต่ว่าบาปไม่เพิ่ม นะบาปมันจะไ่เพิ่มต่อไปจนถึงกับฆ่าสัตว์แนวตรงนี้ก็คือแนวโดยสรุปนะฮะแนวสรุปก็คือแนวที่ส่งแสดงไว้ใน ว, วัตถาติโมนะหมายความว่าการไม่ทำบาปต้องปดูดแนวลดละแนวลดละก็พยายามลดละบาปไปเรื่อยๆลดละบาปไปเรื่อยหมายความว่าเมื่อบาปมันลดเนี่ยก็บุญมันก็เพิ่มอย่างน้อยบุญระดับสำรวจ เป็นการพูดถึงศีลระดับสำรวมนะไม่ไม่ได้ไไม่ได้พูดสูงพูดพูดถึงศีลระดับสำรวมระวังทางกายทางใาจเาดี๋วก็เน้นที่การทํากุศลให้สูงขึ้นนะกุศล ส, สูงขึ้นจิตมันก็สูงขึ้นนะ บ, บาปลดลงก็แสดงว่าจิตสูงขึ้นเห็นไหมบาปลดลงจิตก็สูงขึ้นกุศล ส, สูงขึ้นก็แสดงว่าจิตก็สูงขึ้นจนสามารถที่จะ ควบคุมจิตไม่ทำบาปหนักๆทำบาปถ้าทำก็ทำเดียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่พอใจในบาปหรือความจำเป็นหรือความจาเป็นที่ต้องทำในเรื่องบางเรื่องนะฮะในเรื่องบางเรื่องหมายความว่าเราไม่ได้เพิ่มไปเพิ่มตัวเจตนาเข้าไปเจตนารุนแรงเอาเจตนาบวกเข้าไปแม้ในการทำบุญ นะหมายความว่าทําบุญเพราะจิตมันคุณเนี่ยมันจะเพิ่มจิตวิญญาเมื่อวานเราก็พูดถึงตรงนี้เหมือนกันมาอธิบายก็ฟังดูบอกคุณลองดูพระปฏิมาละกันพุทธรูปนะจําลองพระพุทธจินราชจินสศีเยอะทั่วบ้านทั่เมืองแล้วไปดูพระพักไม่เหมือนกันนะฮะพระพักความอบอิ่นความส ง, งบความเยอเือกเย็นพุทธจินาศีเหมือนท่านติดต่ อ, อเราได้เรานั่งดูท่านได้เป็นนอนวัด น, น, นั่ขยับไปนั้นดีขยับไปนี้ดีขยับไปใกล้ขยับไปก ล, ปกลถอยไปหน้าถอยหลังเนี่ยเราดูได้แต่เมือนเรติดต่อกรท่านได้ตลอดโอ้ชินราชจะมีลักษณะอย่างนี้นเหนะ็นไหมมันจิตวิญญาณของปฏิมากอนที่เขาสร้างครัเนี่ยเขาทำดิสพลังศรัทธาเขาถ่ายเทความศรัทธาความดื้อสายลงไปนะเป็นสุดสุดของในชีวิตเขาเขาพยายามทําดีที่สุดแต่บุญนี้มันเร่งรีบนะฮะเพื่อเอาเงินเหนะ็นไหมมาทําด้วยโลภะ มันทํานหลพระเพราะฉะนั้นพระพักจะจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาพระพักจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเอาขนาดเก่าๆนะฮะขณะที่ที่วัดเบญจมาศ ก, กับวัดประสีรัตระมาธาในพิศุโลกนี่ต่างกันนะฮะพระพั ก, กันจะต่างกันได้แต่เราเห็นว่ามันมีความรู้สึกความรู้สึกที่ต่างกันว่าพิสุโลกเหลือกำลังเนลยมันเย็นสงบเย็นสงบคล้ายๆเราติดต่อกับท่านได้ คล้ายๆกับท่านท่านรับรู้การเข้าไปกราบของเราวันนี้ความรู้สึกอย่างนั้ น, น่ะนั่นคือคือคือลักษณะการการทุ่มเทจิตวิญญาณลงไปแล้วก็ออกมาในสิ่งที่เป็นรูปของวัตถุมันจะมีความแตกต่างกันมันเกิดขึ้นจากกระแสอะไรอันนี้เกิดขึ้นจากกระแสตัณหาต้องการพวกกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆต้อ ง, งการจะได้ผลประโยชน์ ท่านต่หลายลองลองสังเกตว่าพวกพวกทํางานที่เกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยพวกนี้ไม่เคยกลัวบาปอ่ะปลอมมั่งปลอมมั่งไปหลอกลวงชาวบ้านบ้างและอะไรยุ่งไปหมดเลยฮน ะ, ะสร้างพระเครื่องพันองค์ที่เรามาเก็บสต๊อกไว้สองพันองค์เพื่อเพื่อเพื่อไปเข้าตลาดพระเครื่องเราไปบูมสร้างข่าวหรือพระนั้นดังนั้นคนก็วิ่งหากันแล้วราคาขึ้นปุนนนนนน๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ เพราะว่ามันมันทำเรื่อหนกักลำตันหาตอนนั้นปัญหาสําคัญทั้งหมดก็คือแนวสรุปที่มาอยู่สิ่งที่ที่การไม่ทําบาปและการพยายามทําบุญการพยายามทําจิตของตนให้ผองแผ้วไปโดยลําดับมันเป็นภูมิภูมิจิตคือสร้างภูมิจิตโดยอาศัยภูมิธรรมอาศัยคุณธรรมเนี่ยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการสร้างภูมิจิตก็กลายเป็นภูมิต้านทานอารมณ์ แล้วก็เป็นหลักในการควบกุ่มการแสดงออกทางกายทางว จ, จาของเราแม้จะถึงก็ต้องทำบาปทำบาปก็จะ น, อน้อยแล้วบาปนั้นก็จะถูกย่อยสลายอ่าถ้าแกิให้ผลก็ให้ผลอะไรไม่ได้แรงแล้วก็จะถูกสลายไปด้วยพลังของบุญมันก็ไม่สามารถจะตามไปได้นะทั้งๆที่สมบัติบางคนก็ตามแต่สมบับคนที่มีพื้นฐานสูงแล้วเนี่ย จะไม่สามารถตามไปได้แต่ว่าโดยเหตุจริงๆก็คือทาไม่แรงนะะโดยเหตุจริงๆก็คือทาไม่แรงนั่นเองนะสมัรับวันนี้ก็ข อ, อยิติไว้ด้วยเวลาเป็งทน่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแต่ท่านสายชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านถือ